เราจะได้เข้าใจเรื่องของจิตเรื่องของใจเราแล้วก็ฉลาดนะเรื่องจิตใจเราไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนหรอกก็เอาจิตของเราเนี่ยมาเป็นครูสอนธรรมะให้กับเราเราจะเรียกว่าอาจารย์ใจอาจารย์จิตก็ได้มาสอนทําให้เราฉลาดให้เกิดสติเกิดปัญญานะถือว่าเป็นประโยชน์และมีคุณค่าเปนในเวลาที่เหลือของเรานั้นหากเรา